اللهم ا ل ر ن ا ل ح ي م الحمد لله العالمين. للمتقين. ونصلي وسلم على الظالمين س ي ن و خ ر ي ن ن ن ب ي ا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ق ا ن أ ُ ن ت ن ت ُ ه م ل ك َ ب ِ ن و م ในวาระอันมีความสำคัญยิ่งสำหรับชีวิตมุสลิมทุกคนก็คือการมาของเดือนรอมฎอนปีละหนึ่งครั้งซึ่งเหมือนเหมือนที่เราผูกพันชีวิตตอนนี้ผูกพันชีวิตกับมือถือ แล้วเวลามือถือนี่แบตมันหมดเนี่ยเราเราจะรู้สึกว่าชีวิตของเรานี่มันมันขาดอะไรไปหลายอย่างสื่อสารกับคนอื่นก็ไม่ได้ทำธุระหลายอย่างที่ต้องผ่านมือถือก็ไม่ได้เช่นเดี๋ยวนี้องโอนตังเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคนที่ทำธุรกิจนี่ก็ค่อนข้างคน ค่อนข้างลำบากมากเลยนะคนที่จะจะต้องรับโอนเงินจากคนอื่นโอเนเียลองนึกภาพต่ถ้าพี่น้องเดลิเวอรี่เนี่ยรับเนี่ยมือถือแบตหมดเนี่ยพี่น้องนึกภาพพอดีเขาจะเาจะรู้สึกยังไงคือตัวตัวแบตเขานี่ไม่ได้หมดนะแต่ตัวมือถือของเขาต่างหาก แต่เราจะมีสภาพเหมือนมือถือที่หมดที่แบตหมดเนี่ยคือมือถือที่ใช้งานไม่ได้เราจะมีสภาพเหมือนมือถือที่ใช้งานไม่ได้เนี่ยดูที่เราไม่รู้ตัวนั่นหมายถึงว่าถ้าพระเจ้าถ้าอัลลอฮ์มองเห็นเราว่าเราเป็นเป็นมนุษย์เป็นเบาที่ไม่เอาไหน ไม่ได้พักดีต่อพระองค์ไม่ละหมาดตรงเวลาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งไม่ละเว้นตามข้อห้ามใช้ชีวิตตามอำเภอใจนึกจะทำอะไรก็ทำอารมณ์พาไปไหนก็ไปเนี่ยก็คือเหมือนมือถือที่ใช้งานไม่ได้กล่าวคือก็คือ ก็คือเบาที่ใช้งานไม่ได้คนเราเนี่ยเวลาอยู่ในช่วงเดอรมอตอนเนี่ยมุสลิมท้ทุกคนนะก็ข ย, ยันขมักขมันในการทำความดีซึ่งจะมีความแตกต่างเยอะนะครับของคนหลายคนในเดอรมอตอนแต่พอออกจากเดอรมอตอนเนี่ยเนี่ยเราจะเห็นความสหัสของของคนหลายคนที่เหมือนว่าเดือน เดือนรอมฎอนนี่เป็นเดือนเดือนของอิสลามที่จะสามารถยืนยันในความเป็นมุสลิมเหมือนวันศุกร์ที่บางคนจะพยายามหาทางที่จะละหมาดวันศุกร์ให้ได้เพราะเขาไม่รู้จะแสดงความเป็นมุสลิมยังไงยิ่งสเราบางที่เนี่ยที่บอกว่าใครไม่มาละหมาดวันศุกร์เนี่ยไม่ต้องมาฟังในกูโบะนี้มีจริงนะ สบบุรุมัสิดเนี่ยไม่ได้แล้วงไม่ไก็ต้องไปละหมาดยังไงก็ต้องไปละหมาดนะก็สุราบางสุราเนี่ยเขาก็กำหนดไว้แล้วเนี่ยถ้าขาดสามสี่สุขเนี่ยอันนี้ก็กขาดความเป็นสับุรุษเลยบางคนก็พยายามทำยังไงก็ได้ที่จะไม่ขาดขาดละมาดบนสุขหรือเหมือนคนที่ดาวรถหรือบ้านแล้วก็จ่ายงวดเป็นประจำ แลวรู้ว่าถ้าตัวเองนี่ขาดขาดพอนสามสี่เดือนเนี่ยเขาจะยึดรถยึดบ้านนะเราก็ต้องดิน้นรนทำอะไรก็ได้อย่าให้มันขาดแต่สำหรับมุสลิมเนี่ยมันไม่ควรที่จะมองทิศาการว่าเป็นแบบนี้เพราะผู้ศรัทธาเนี่ยไม่ควรที่จะรู้สึกว่าตัวเอง ขาดความสัมพันธ์กับพระเจ้านี่แม้แต่วินาทีเดียวอย่าว่าสัปดาห์อย่าว่าหนึ่งเดือนอย่าว่าหนึ่งปีนะการที่จะพูดว่าเดือนร م ض ا ن นี่มันเป็นโอกาสที่จะชาร์จแบตหมายถึงว่าเรายอมที่จะให้แบตของเราเนี่ยอ่อนทั้งปนะีไม่ได้ชาร์จทั้งปีเลยนะแล้วก็จะมาชาร์จเฉพาะเดือนร م ض ا ن นอยู่ยังไงอ่ะแล้วก็อยู่แบบละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้าง หรือจะเป็นมุสลิมมกคุมมียา บ, บ้างไม่คุมบ้างแต่เดอร์รัมอนี่จะเข่งคัดหน่อย the, อยู่เดอร์รัมอตานอ่านคุรานทุกวันแต่ถ้านอื่นอ่านบ้างไม่อ่านบ้างเรียนคุรานบ้างไม่เรียนบ้าง <c oughs> ชีวิตแบบนี้เนี่ยไม่ไม่ควรที่จะเป็นที่จะเป็นตารางชีวิตของของผู้ศรัทธาเดอรรมอนถ้าจะเป็นการชัดแบดหรือเป็นการบำรุง หัวใจของเราเนี่ยให้เราได้ขยันทั้งปีนะไม่ใช่ให้เราเ น, นอนทั้งปีคือจอดทั้งปีแล้วก็จะมาขยันเฉพาะในดุริยางคดอ น, น, นไม่ควรไม่ควรที่จะเป็นแบบนั้นฉะนั้นหากเราอยู่ในประเภทที่รู้จักที่คนเรียกกันรมมดอ น, นอยู่เนี่ยพวกพวกจะรู้จักพระเจ้า จะสนิทสนุมจะใกล้ชิดกับศาสนากับอัลลอ์เฉพาะเดือนรอมฎอนเนี่ยให้ให้พวกเราได้เลิกพฤติกรรมเหล่านี้ซะเพราะถ้าเราไปตัวแบบนี้เราเราจะไม่มีความผูกพันกับการทำอิบาดเท่าที่ควรหรือเท่าที่อัลลอส์บ ب า ا ะ ه และ ت ع ا ل ต้องการให้เราได้ทำเพราะ ความดีแล้วกันทำไมแบด้ความดีขยันการขยันในเดอรมอตอนเนี่ยมันมันเป็นการขยันที่มีตัวช่วยคนก็ตัวซิโนดกันทั้งทั้งประเทศเข้ามาสิยิที่ไหนนี่กัมีคนอ่านกูอ่านแล้วก็อิจฉาก็สิเข้าละหมาดอิจฉานี่อ้างเขาก็มามากันเยอะนี่ละหมากก็เตรียมตัวละหมาดตัเราเนี่ยแล้วเราจะไม่ละหมาดเด้งไงที่มันมีตัวช่วย ไม่อยากจะเรียกว่าตัวบังคับมันมีตัวช่วยนั่นหมายรู้ว่ า, วาะไม่มีตัวช่วยในวันอื่นในเวลาอื่นเนี่ยเราสอบตัวจดีหมายถึงว่าเราจะเราใช้ไม่ได้เลยฉะนั้นในเดือนนอกจากว่าจะมีอิบาดะที่เราได้ทำแบบพร้อมเพียงกันเช่นการถือสินอดเราถือสินอดลาสินอด พร้อมๆกันมันมีความรู้สึกร่วมแน่นอนพอเราไม่กินไม่ดื่มไม่อะไรนี่คนอื่นเขาก็ไม่กินก็ไม่ดื่มเราก็รู้สึกลอลองลอ ง, ลองนึกภาพเนี่ยเวลามุ穆斯林เขาอยู่ในพื้นที่ที่ทํางานหรือที่ไหนกินกันกินกันทั้งบ้างเลยอะอึดอัอดไหมอึดอัดดิอันี้กาแฟเย็ยนเอากินมานะบ้างะนะั อีกคนนึงก็ซื้อใส้กอดมาอนอาสักนิดนึงมันจะมันจะเป็นยังไงอยู่อยู่อยู่อย่างนี้นทั้งวันเลยนะทรมานสิแต่ถ้าเราอยู่อันนี้อันนี้ก็ถือซะหนนคนนี้นี้ก็อ่านอ่านอันนี้ก็มันมันเป็นบรรยากาศที่ช่วยช่วยจริงๆเนี่ยอบาดที่เราทาแบบพร้อมเพียงกันละมานตราวคนคนก็ละมานละมานกันเยอะแยะ ผมล่ามาว่าเดิมเรม่ได้มันต้องมีอิบาตห์ไม่ได้เรามเดียว ท, ทุกวลัละมันต้องมีกอิบัตห์ที่เราทาโดยเอกเทศทำโดยไม่ต้องมีตัวช่วยทำโดยไม่ต้องมีใครมาผลักดันไม่ต้องมีใครมากดดันเราทำด้วยความสมัครใจทำด้วยความรักมันเกิดจากภายในว่าเราอยากจะทำถึงแม้ว่าไม่เห็นคนทา ถึงแม้ว่าไม่มีคนทำไม่มีคนข้างๆคอยที่จะสนับสนุนคอยที่จะช่วยคอยที่จะผลักดันคอยที่จะสนับสนุนไม่มีนะเราทำเองเราต้องพยายามหาอิบาดะชนิดนี้ให้ตัวเราทั้งในดุรโรมตุและก็นองดุรโรมตเพราะอะไรเพราะมันเป็นตัวจำแนกระหว่างคนที่ทำอิบาดะแบบชนิด ทีนักจิตวิทยาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอุปท า, านหมู่ครได้ยินหทไมว่าอุปทานหมู่ีน้องเคยไปละหมาดมสิมลิละหมาดตรอวีอ่านกาาอ่านพออิหมามร้องไห้คนก็ร้องไห้แต่ถ้าอิหมามไม่ร้องไห้คนก็ไม่ร้องไห้นี่นะอุปท า, านหมู่ อทานหมูหรือว่าถ้ามีใครในมสัสยิดนี่ร้องไห้เสียงดังนันคนอื่นก็จะอืนไปด้วยจะอืนไปด้วยเหมือนคนคนแรกนี่จะนำร่องแล้วก็คนอื่นนี่ก็จ ะ, ะตามกระแสเนี่ยกอุปทานหมูไม่ใช่หมาย ว, มว่าเรื่องอุปทานหมูนี่มันจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีเสมอนะไม่ ก็เป็นเรื่องดีหมายถึงว่าคนก็ททำความดีแล้วก็เราทำความดีตามเขาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีแต่ถ้าเราไม่ปรับเจตนารมณ์ให้ดีนะให้บบบนั้นน่ะมันมันจะไม่ช่วยให้เราได้มีความต่อเนื่องทำต่อเมื่อคนอื่นก็ททำแต่พอเราอยู่คนเดียวเราจะไม่ทำ เราจะร้องไห้ต่อเมื่อได้ยินคนอื่นร้องไห้แต่เราอยู่คนเดียวอ่านกุตัานอยู่คนเดียวขอดูอาคนเดียวซิกุลโลคนเดียวเราจะไม่ร้องไห้เลยเพราะว่าเราจะไม่ซึ้งเราจะไม่ซึ้งกับเนื้อหาของคุตัานกับคําสั่งสอนที่เราทะเลพูดคุยกันตอนนี้เราจะไม่ซึ้งคนเดียวเลย <S <S เราต้องฟังคนอื่นเราต้องรอคนอื่นให้เขานําเราไม่ได้เราเร า, เร า, เราต้องพิจารณาทุกอิเดืนดนดอนเดือนรอมฎอนอยู่ มันเป็นเด่นเฉพาะเลยเป็นเด่นเฉพาะของของของคนของอัลลอฮ์คนที่เขารักอัลลอฮ์จริงอจะได้ปรับปรุงตัวเองปรับอุปนิสัยปรับกำมลสันดานปรับอะไรหลายอย่างชีวิตของเราที่ที่อยากจะให้ติดใจของเราเนี่ยเป็นไปตามที่อัลลอฮ์สุภานวัตตาเาต้องการจากครับ เดือนะมอนชาต์แบตตรงนี้นี่หมายถึงว่าชาต์แบตนี้ให้แบตนี้เต็มดัอนปีเลยไม่ใช่ชาตจะได้จะได้ใช้แบบอพอมาถึงเดือนชาบานนี่สีแดงแล้วสีแดงแล้วเกือบจะหมดและ้ะหลังจากที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาละได้กล่าวถึงกลุ่มนาฟิกีนกลุ่มสับหลับกลับกลอก ที่อยู่ในม ด, ดีนาะซึ่งเรื่องราวในคุอ่านที่เกี่ยวกับโครงสร้างสังคมเนี่ยส่วนมากนีจะจะพูดถึงโครงสร้างเมืองก็คือเมืองมักกะเนี่ยเมืองม ด, ดีนาะถ้าในอรารยธรรมอาหรับเนี่ยเมืองใหญ่ที่คนอยู่ร่วมกันเป็น หลายเผ่าหลายตระกูลหลายกลุ่มอยู่กันเยอะๆเนี่ยเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนใหญ่มีธุรกิจสนับสนุนมีอาชีพประกอบกันทั้งเมืองอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาจะเรียกเขาจะเรียกขาดือรอข่าดือดอะคือเมืองที่มีอารยธรรมมีความเจริญเรียกว่าฮาร์เดือในคุตตานจะเรียกว่ากอรีอากอรียะแปลว่าเมือง ในภาษาอาหรับนี่สำนวนปัจจุบันนะหมายถึงว่าคนอาหรับปัจจุบันเนี่ยก็รียกเนี่ยเขาจะเรียกใช้ว่าเมืองเล็กถ้าเมืองใหญ่เนี่ยเขาจะเรียกมาดีนะหมายถึงว่าเมืองใหญ่มาดีนะไม่ใช่มาดีนาเนี่ยบีนะเพราะคำว่ามาดีนาที่เราเรียกที่เมืองมาดีนาเนี่ยที่เราเรียกเฉพาะใช้คาว่ามาดีนาอย่างเดียวเนี่ยอันนี้เราเรียกแบบย่อนะอ่ คำว่ามาดิน่าเนี่ยแปลว่าเมืองเมืองใหญ่ไงนะแต่เมืองนบีเนี่ยชื่อเต็มเนี่ยมาดีนัตุลนบีหรือมาดีนัตุลรอซูลหรืออัลมาดีนัตุลมโนวระนี่ชื่อเต็มนะแต่ไม่มีใครเขาเรียกเต็มเลยเพราะมันยาวไงก็เป็นที่รู้กันว่าเรียกมาดีน่าเดี๋ยนี้ก็คือหมายถึงว่ามาดีนัตุลรอซูลมาดีนัตุลนบีเมืองของนบีแต่คำว่ามาดีน่าอันเดียวนี่แปลว่าเมือง แต่ในคุรอ่านนี่ยจะไม่ใช่คำว่ามาดีนั่งเดียวก็เรียกโดยุรอห์ก็เมืองนั่นแหละจะเป็นเมืองเล็กเมืองใหญ่เรียกว่าก็เรยมการี่เป็นเมืองใหญ่เรียกว่าอุมมุลกุรอห์ในุรอ่านเรียกว่าลิุนซรอุมมุลคุรอห์มันฮาวล่าละัลลอฮุซุบฮานาวะตะลาตะฮบันดานบีลรสูลเนี่ยทุกสถาบนาเป็นนบีลรูลเฉพาะจากเมืองใหญ่ วเราได้เราได้ประธานส่งบรรดาอัลลอฮ์สุลในยุคก่อนเจ้าเนี่ยกลวนมาจากอัลกุรอมาจากเมืองซึ่งตรงกันข้ามกับเมืองเนี่ยเมืองเนี่ยฮาดอรอนะ เพราะอะไรเพราะมีความเจริญมีอารยรรตรงข้ามกับเมืองนี่ก็คือชนบทสาหรับคนไดกันบาเดียบาดียบาเดียนี่ก็คือพื้นที่โลง่โลงๆจะเป็นทุ่งนาจะเป็นสวนจะเป็นทะเลทรายซึ่งครัส่วนมากก็เป็นทะเลทรายแล้วคนที่จะอยู่บาเดียอย่างไงก็อยู่แบบสเปสปะครอบครัวหนึ่งอยู่จุดนี้ สามสี่ครอบครัวก็อยู่ตรงนี้ไม่ทันจะเป็นเมืองอะครอบครัวเล็กๆน่อยู่อย่างงี้สมมติแต่ใหญ่กว่า น, นั้นก็ตระกูลนึงตระกูลหนึ่งก็หมายถึงว่าปู่ทวดลูกหลานเหรนอย่างเงี้ยอยู่อยู่สักแห่งหนึ่งบาเดียกางเต้นกันเขาจะไม่มีปลูกสร้างนะทำไมอะเพราะเขาต้องแสวงหาแหล่งน้าที่มาจาก ที่มาจากฝนมาจากตาน้ําซึ่งในข้าบสมุนอราบเนี่ยมันจะไม่มีแบบถาวรไงที่มีแหล่งน้ําถาวร น, นี่จะเป็นเมืองเลยเหมือนซําๆเนี่ยเป็นบ่อน้ําที่มีน้ําถาวรทั้งปีนะกลายเป็นเมืองแต่เนื่องจากามันไม่มีแบบส่วนมากไม่เป็นแบบนี้ไงที่เป็นแบบนี้เนี่ยก็คือฝนตกตรงนี้นิดนึ่งอาจจะมีตาน้ําตรงนี้หน่อยเป็นเป็นบึงหน่อยหรือตรงนี้ก็จเจริญและมี ม, มีมีต้นไม้มีพืชผล เฉพาะฤดูผ่านไปแล้วสามสี่เดือนนี่ก็จะแห้งแล้งแล้วกลับเหมือนเดิมแล้วเวลามีน้ำมีมีเขียวมีมีอากาศดีเนี่ยเขาก็จะมากางเต็นกันแต่เต็นบ้านเขานี่ก็คือเต็นนั่นแหละข้าสมุทรอันดับก็เป็นแบบนี้ตาบาเดียแล้วคนที่อาศัยอยู่อาศัยอยู่ในบาเดียเนี่ยเขาเรียกกันอัลบดูหรือบดวีบดวีนี่มาจากบาเดีย ก็อยู่ชนบทเนี่ยบดเวีเนี่ยอยู่ชนบทแต่ในคุรานใช้คำอื่นคุรานไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช่บาดเดียหรือบดเวีแต่ในสุนนามีนะเดี๋ยวจะอธิบายอันนี้กุรานจะใช้อาราบแทนบดเวีเนี่ยอาราบินิเอกจน์อาราบเพราเพราอุปถ์ของมันเนี่ยอารบอารบ รอบนี้เพรฮพุทนะอารอบนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าอาหรับนะไม่นะคือถ้าชาวอาหรับเนี่ยเขาได้กะนอัรบีอารบีอย่างเดียวนะถ้าชาวชนบทเนี่ยเขาได้อารอบีอรบีเนี่ยก็ชาวเมืองส่วนมากก็จะได้กว่าอรบีถ้าชาวเมืองเนี่ยที่เป็นอาระบีเนี่ยถูกเรียกว่าอารอบีนะเขาจะโกรธ เทากับไปเรียกเขาไอ้ชนบทไงถ้าเช้าชนบทเนี่ ย, ท, าา ท, ยที่เขาเรียกกันอาราบถ้ามีใครไปเรียกเขาอาราบีนะเขาจะเห <c oughs> มือนยกฐานะสถานะเขาเนี่ยไม่ได้เป็นชนบทแล้วนะฉะนั้นอย่าอย่าปนนะอาราบีกับอาราบีเนี่ยคนละอันกันเลยนะะคนละนามคนละชื่อกันเลย เดี๋ยวเราจะอ่านคําแปลเนี่ยอาจจะอาจจะสับสนนิดนึงแต่นี่เราต้องแยกอาหรับิยุนหรืออัลอาหรับเนี่ยก็คือพวกชนบทพวกชนบทนี่เนื่อจะกว่าอยู่กันแบบสเปกสป่าไงแบบไม่มีไม่มีสิวิไลไม่มีวิถีชีวิตที่มันเรียบเรียบร้อยเวลามันแห้งแล้งมากเนี่ยยาฮิเลียสพวกชนบทในสมัยยาฮิเวลามันแล้งมากนี่นะ ปนปนพออิสลามมาแล้วเนี่ยมีกลุ่มหนึ่งที่เขารั่วถ้าขืนยังใช้ชีวิตแบบเดิมๆนี่ก็คือตามชนบทเนี่ยเขาจะเสียเปรียบไม่ได้เรียนรู้ศาสนาเพราะนาบีอยู่ที่มดีน่าอยู่ที่เมืองเมืองใหญ่เมืองมดีน่ะชาวชนบทหลายกลุ่มนะ่ะตัดสินใจอพยพอิจรอ แต่ฉันจะต้องอุปยบอยู่อย่างนี้ไม่ได้ฉันจะอยู่แบบสเปสปาอันี่ไปกางเต้นตามน้ำตามต า, มต า, มตามไม่ได้ฉันต้องอพปยบมานี่มาสายอยู่มานี่นั้นต้องซึ่งคนชนบทเนี่ยส่วนมากนี่เขาชอบวิถีชีวิตอิส ร, ระเนี่ยไม่ชอบกรอบของเมืองแต่เขาขายอมเพราะอะไรเพราะถ้าไม่ไปเนี่ยก็ อ, อดเรียน อ, อดศึกษากับท่านนบีออสุลต่านก็ยอม แต่มีชาวอาราบบางคนเนี่ยไม่ยอมขอให้เรียนพื้นฐานอะฟรดูอีนอะนี่เรื่นจริงเจริงมีอาราบีคนหนึ่งท่านนี้สิมันต้องเป็นมุสลิมก็เอาไปหาท่านนบีสุลต่านสลัมที่มาดีนะข้าพเจ้าเนี่เป็นตัวแทนของหมู่บ้านของข้าพเจ้าเนี่ยให้มาถามท่านว่า สิ่งที่พวกเราต้องปฏิบัตินีมีอะไรบ้างพระ บ, บีก็บอกว่ากาลาอิละอิลาลา้อละามาศหาเวลาต้อง อ, อ ก, กากต้องถือิ้นอดเขาบอกว่าพอละดยวฉันทำแค่นี้ เ, เดี๋ยวกลับไปบอกเขาก็อยากได้แค่นี้ฟรดุอินในสังคมมนุษย์เนี่ยมีมีคนแบบนี้ั้มประเภทนี้พระพภทบอกว่าจะจะจะสอนอะไร อยอะนะปบว่แล้วคับเอานี่เอาเอาให้ให้รอดก่อนเนี่ยนิสัยบนี้นิสัยนิสัยอารมบไม่อยากเรียนเยอะเพราะกลัวเดายต้องปฏิบัติเยอะไม่อยากรู้เยอะดียกลัวว่าใจเนี่ยจะต้องจะต้องนำมาใช้แล้วมันจะแล้วมันจะเป็นภาระและเขานี่งหวงนี้เขาบอก นะมันต้องพาดพิงนะพวกเพื่อชีวิตนะสังเกตนะพวกเนี้ยพวกเพื่อคือเขาต้องฟรีเขาไม่ชอบอะไรที่มาจำกัดชีวิตของเขาพวกเพื่อชีวิตสังเกตไหมพราที่ว่าผมยังไม่ได้พูดไม่ไพูดว่าบัมบัมบัมบัมบัมบัมบัมัมบพมบัมบไมบัมบไมบัมบัมบัม ผมยาวนึกจะกินเล้าเมื่อไหร่ก็กินนึกจะไปปาร์ตี้ไปร้องเนี่ยนะก็ไปอย่างเงี้ยแล้วไม่ต้องมาสั่งฉันให้ขับรถนะฉันไม่ขับรถนะพวกนี้เขาต้องฟรีเนี่ยังไงก็ได้แต่งตัวยังไงเอ้ยงไงก็ได้เหแต่ขอให้มีเป็นแบรนด์ของเราแต่ของเขานี่ยเขา ง, ง่ายไ ง, ขงเขาจะให้มีกรอบในชีวิตเนี่ยยิ่งถ้าเป็นกรอบทำและอย่าทำ อันนี้บาปอันนี้อันนี้เไมไม่ได้เลยอันนี้เขาจะรู้สึกว่าถูกกีดกันซึ่งในสังคมมนุษย์นีมีทุกที่น่ยก็มีแบบนี้แหละนี่ขนาดนำหน้าชื่อเนี่ยนายเนี่ยยังเขายังยั ง, ยงระคายเครื่องเลยอะ่ะนายเอ้ยเองอะไรจะมาบังคับว่าต้องเรียกนายแต่นายเนยกเกิดมาเป็นผู้ชายทั้งทีเนี่ยจะเรีย ก, ยกอะไร ไม่ไม่ยอมเนี่ยกรอบแค่นี้นี่นะเขาไม่ยอมยประเภทเดียวกันเลยถึงแม้ว่าอยู่ในเมืองอะ น, นะแต่ก็มีมีสันดานมีนิสัยของอารอบนี่แหเดี๋ยวเราจะรู้นิสัยเข้าเป็นยังไงกูอ่านได้พูดถึงพวกมุนาริกที่อยู่ในม ด, ดีนะพละเมืองพอสโซเตาบ้ายอย่างที่บอกว่าเล่าโครงสร้างของประชาชนในเมืองม ด, ดีนาะเนี่ยมีอีกประเภทมีผู้สตาแล้วก็มี มียิวฮดนี่อันนี้อันนี้ก่อนนานี้ในโซลอาฮซับนี่โลอาฮซบที่เล่าเหตุการณ์ของสงค ร, รามอาฮซับและะ้วก็มีมีอุปสรรคมีทั้งพวกยิวฮดและก็มุนาฟิกีนแต่ตอนสงค ร, รามตะบูกเนี่ยปีที่เก้าเนี่ยยูเนี่ยส่วนมากเนี่ยถูกขับไล่ออกไปละไมไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นภัย เหมือนช่วงสงครามอาราซสสงครามอาลาซาในปีที่6ที่เจ็ดนี่นะตอนนั้นนะอ่ะยูเนี่ยเป็นเป็นตัวร้ายเลยในการสร้างความบันป่วนในในสังคมมาดีนะแต่แต่สงครามตะบุกเนี่ยไม่ไม่มีบทบาทที่มีบทบาทในการสร้างความบันป่วนเนี่ยส่วนมากนี่ก็คือมุนาฟิกินแต่ก็มีกลุ่มมุนาฟิกินที่ไม่ได้อยู่ในเมืองมาดินนะ อยู่นอกเมืองก็คือชาวชนบทคนที่อยู่นอกเมืองแล้วบางคนเนี่ยหรือมบางบางกลุ่มเนี่ยของอารอบเนี่ยก็มีพฤติกรรมของมุนาฟิกีนที่ม ด, ดีนะเช่นไม่ออกไปสู้รบกับท่านนะบีอันนี้ก็มีก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคเล่าพวกที่มาขออภัยโทษจากท่านนะบีสุลต่านแล้วก็มามาแก้ตัวบางกลุ่มนี้ที่มาแก้ตัวก็มีกลุ่มพวกชนบท ที่บอกว่าเราจะออกไปสู้รบกับท่านนาบีไม่ได้เพราะถ้าเราออกไปสู้รบเนี่ยมีกลุ่มชน บ, บทที่อยู่ ใ, ใกล้ๆเราเนี่ยเยขาจะมาบุกมาคมขืนสตรีมาปนทรัพย์สินของเราบางคนนบีก็เชื่อแล้วก็ให้อภยัยบางคนนบีก็ไม่ให้อภยัยนี่เขาก็มีพฤติกรรมของมุนาบิก็คือไม่ไม่เชื่อฟังท่านนาบีสุลต่านและก็มี พ, พฤติกรรมก็คือไม่เลื่อมใสไม่เลื่อมใสต่อ ท่านนบีสั่งละละสัพหะไม่ถึงว่าสัทธามิอบอกเะ้าวรับล่าอิลัลลอฮฺมิละกัแต่ไม่เต็มร้อยในสุรษะละฮฺซับเนี่ยอัลลอฮเล่าถึงกลุมกุมมุนาฟิกีนชาวารอมเนี่ยซึ่งตอนนั้นน่ะก็ยังอยู่ในช่วงแรกๆน่ะก่อนที่นบีจะพิชิตมักกะก่อนที่นบีพิชิตมักกะเนี่ยชนบทส่วนมากในคาบสมุทรอาหรับเนี่ย ลังเลใจทาไมเพราะในคาบสมุดอาหรับในตอนนี้มีสองเจ้านายเจ้านายหนึงอยู่ที่มกักกะก็คือพวกกุริชเจ้านายดั้งเดิมคนรวยที่สุดคนที่กําลังปกครองเอมืองที่สําคัญที่สุดและมีเจ้านายใหม่ก็คือท่านนบีซอลลอฮฺสุลแลมที่เริ่มมีอิทธิพลเริ่มมีคนติดตามเยอะเยจะเอาใครดีจะรับอิสลามกับท่านน บ, บีมุฮัมมัดเนี่ย มันก็จะเสียกนะเดี๋ยวถ้าหากว่าเนะี่ยทานาบีแพ้แล้วเนี่ยซวยเลยดีเราเอาอย่างนั้นเราก็ไปเข้าข้างกเรชเอา้าแล้วก็ท่านาบีมารบเนี่ยเราจะไม่ซวยหรอทำยังไงดีอ่ะเฉยเฉยก่อนเฉยเฉยก่อนดูว่าใครจะชนะใครอ่ะนะผมว่าอ้เรื่องนี้มันมีแต่ไหนแต่ไหนนะ มันไม่ใช like ่แค่เฉพาะทุกที่เลยทุกที่เลยนะเอาเอาเอาคนที่คนที่แน่ชัดว่าเขาชนะนี่ถึงจะเลือกข้างอุบะดูนในเวลา阿拉伯ย์ سألون عن أم ق ใน الأحزاب about h o บะดูนในอาหรับตอนที่เขายังเป็นชนบทอยู่อยู่ตามชนบทนี่นะเขาจะพยายามสอบหาข้อมูล เป็นยังไงใครชนะสงครามระหว่างนะมุฮัมมัดก็ชาวมักก่านี่ตกลงใครชนะสู้กันอีกแล้วอะเอาแล้วใครชนะตามดูมเอาแล้วก็เป็นอะไรก็เดี๋ยวดูก่อนค่อยๆดูเราใช้ใชใช้ก่อ น, นพฤติกรรมแบบ น, นี้ก็มีถึงขนาดที่คนในเรื่องวางตัวะรบผมเรียกว่าวางตัวให้ปลอดภัยที่สุด ปลอดภยัยไม่เปลืองตัวในทุกมิติเลยนะเรื่องศาสนาเรื่องการเมืองเรื่องอะไรเนี่ยไม่พูดสิ่งที่มันถูกต้องเพราะรู้พูดความถูกต้องทุกเรื่องเลยนะเรื่องศาสนาเรื่องการเมืองเรื่องอะไรก็ตามต้องมีคนไม่ชอบต้องมีสักผายหนึ่งที่ไม่ชอบ เธอแสดงความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องที่เราเชื่อว่ามันถูกต้องเนี่ยมันเปลืองตัวทํายังไงดีอะก็เฉยเฉยเฉยเได้ไงอะก็คนที่เขาพูดความจริงเนี่ยบางทีเนี่ยพูดอยู่คนเดียวแล้วก็ไอ้คนที่เห็นด้วยเนี่ยไม่อยากจะเปลืองตัวทําให้ความจริงเนี่ยโดดเดี่ยวอยู่นั้นน่ะเพราะคนที่สนับสนุนความจริงนี่นะไม่อยากเป็นแผรไม่อยากเปลืองตัวคนประเภทนี้เนี่ยเรียกว่าอะไรเรียกว่ามุนาฟิก เหมือนกันเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนานี่มุนาฟิกเรื่องศาสนานี่ร้ายแรงแถ้าแต่เป็นเรื่องการเมืองเรื่องสังคมเรื่องเรื่องอาจจะไม่ร้ายแรงแต่ก็เป็นมุนาภิกกับกรับซับหรับกับกอกไม่ชัดเจนไม่แสดงความถูกต้องให้มันชัดเจนหรือแสดงแสดงความเห็นส่วนตัวที่ตัวเองเชื่อว่ามันถูกต้องเนี่ยให้ชัดเจนให้มีจุดยนืนแสดงจุดยนืนชัดเจนเพราะการแสดงความคิด ความเห็นส่วนตัวอย่างอิสระนั่นแสดงว่าเราเนี่ยมีสุขภาพจิตใจที่แข็งแรงและสุขภาพของอิสระภาพในสังคมเนี่ยมันก็แข็งแรงแต่ถ้าเราอยู่ในสังคมไม่สามารถแสดงความคิดเห็นถ้าแสดงความคิดเห็นเนี่ยกลัวกลัวอะไรกลัวดูคนจะรุมดูคนจะโจมตีเดี๋ยวคนจะเดี๋ยวจะมันจะเป็นการฝักไฝไหมถ้าเรา แสดงความเห็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวฝ่ายนี้จะไม่ชอบฉันไม่เอาฉันเดี๋ยวพวกนี้ก็และจะเสียเปรียบแล้วใคยของไม่ได้เดี๋ยวทำธุรกิจเ๋ยวเดี๋ยวเขาไม่เดี๋ยวเขาไม่มาสนับสนุนเราอะไรประมาณนี้ถ้าถ้าเป็นเรื่องแม้กระทั่งเรื่องเรื่องในครอบครัวเรื่องในสังคมเรื่องทั่วไปเนี่ยสังคมต้องเปิดใจกว้าง คนที่มีความเห็นต่างเนี่ยไม่จำเป็นที่จะตีไมยหัวเขาเนี่ยว่าเป็นศัตรูเสมอไปสันดานแบบนี้นะ่ะที่ทำให้สังคมเนี่ยลำบากใจคนเนี่ยไม่กล้าแสดงความเห็นเพราะกลัวนี่แหละก่อการร้ายที่แท้จริงนี่แหละก่อการร้ายที่แท้จริงกลัวไม่กล้าพูดความจริง กลัไม่กลาแสดงความอัลล์ก็อยากจะบอกว่าทั้งทงที่เมืองมดินาจะมีมุนาฟิกชนบทในเมืองที่มีอารยะนี่มีมุนาฟิกชนบทกมีอัลอารนี่กมีมุนาฟิกอัลอากรอัชดคุฟร์ะนิฟาะน์แจดรอัลลย علمحدود ะมะอลัลลอฮฺอัลลอััลอัลลอฮอลอลฮัลลอฮอลฮ บรรดาอาหรับชนบทนั้นอาหรับชนบทคือต้องแปลเป็นภาษาไทยว่าอาหรับชนบทแต่ถ้าเป็นภาษาอับเนี่ยแปลว่าไม่ได้คําว่าอาหรับเนี่ยกับอาหรับนี่มันคนละเรื่องกันเลยถ้าจะแปลนี้เป็นภาษาอนอาหรับเบด ا و อัลอาหรับอัลเบดอัลอาหรับบีอัลเบด اوي นไม่ใช่กันนะภาษาอับก็ไม่ใช่กันเพราะคําว่าอาหรับเรืออาราบีเนี่ยมันตรงข้าม กับอาราบแต่ น, นี้เราอยากจะให้คนเข้าใจก็ต้องใช้คํานี้เพราะคําว่าอาราบเนี่ยถ้าจะทับศัพท์เลยะนะคนไทยไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจอาราบี A R o B. อย่างนีนแต่อารับนี่ถ้าเข้าใจเอาชาวอารับนะชาวอารับชนิดชนนบดอันนั้นนะพอที่จะเข้าใจแต่ตามหลักภาษาอารับนี่มันมันไม่ได้เขาบอกว่าอารับเชนบทนั่น เป็นพวกปฏิเสธิศรัทธาและพวกกลับกรอกอาชัดดุที่ร้ายกาจที่สุดร้ายกาจที่สุายถึงว่าเขามีความเป็นมุนาฟิกความกลับกรอกและมีการปฏิศรัทธานี้มากกว่ามุนาฟิกที่บอกข้างตน้นในสุรในอายกะก่อนหน้านี้ที่พูดถึงมุนาฟิกในมดีนาเน่ย ถ้าเป็นมุนาวิกชนบทนะอันนี้ยิ่งกว่าปฏิเสธทายิ่งกว่าและกับกรอบมุนาวิกยิ่งกว่าทำไมล่ะุลมาที่อธิบายได้บอกว่าเนื่องจากว่าเขาอยู่ห่างไกลจากแหล่งความรู้ถ้าในวิชาสังคมนะวิชาสังคมเนี่พูดประเด็นนี้นะเขาจะบอกว่าคนที่อยู่ในชนบทที่อยู่ในเมืองเล็กเนี่ย เขาจะมีลักษณะนิสัยเนี่ยจะมีแข็งกระด้างมไม่เคยรู้กาละเทศะไม่ได้เป็นเจ้าระเบียบเพราะอะไรอะ่ะเพราะนชนบทเนี่ยมันไม่มีไงชนบทไม่มีไฟแดงไม่มีไฟแดงไฟเหลืองเลยนะ่ยพอมาในเมืองแล้วนี่โอ้ขับรถมีต้องหยุดด้วยเหรอมีแต่ต้องหยุดด้วยเหรอให้ทําแบบนี้ไม่ได้ให้พูดแบบนี้ไม่ได้เขาไม่มีระเบียบอะไรเยอะแยะแบบนี้เขา ชีวิตของเขาเนี่ยจานวนคนน้อยไงพอยิ่งจํานวนคนน้อยการที่จะแคร์คนอื่นเนี่ยมันไม่ต้องมันไม่ต้องยุ่งยาก่ยแต่ในเมืองนี่คือ ด, ดูดิอยู่เราอยู่กันขนาดไหนแล้วทุกคนทุกกลุ่มนี่ในเมืองนี่เขาก็ต้องมีสิทธิของเขากลุ่มอื่นเนี่ยก็ต้องแคร์สิทธิของคนอื่นจึงต้องมีระเบียบวินัยเนี่ยมันจะมีมากขึ้นของคนในเมือง มันไม่ได้เป็นข้อดีเสมอนะแต่โดยรวมเนี่ยมันจะเป็นข้อดีทะเทียบแล้วกับคนที่อยู่ในชนบทที่ใช้ชีวิตแบบอิสระถึงคนคนที่อยู่ในเมืองทั้งชีวิตตอนนี้เนี่ยเป็นแฟชั่นละคนที่อยู่ในเมืองทั้งชีวิตแล้วพบกับความยากลำบากความซับซ้อนของระเบียบต่างๆพอเกษียณแล้วบ้านปายชีวิตอยากไปอยู่ไหนชนบท เพราะชนบทนี้มันไม่มีมันไม่มีขอบเขตไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีระเบียบอะไรมากมายและเนื่องจว่าเขาอยู่ห่างไกลจากแหล่งของกฎหมายของระเบียบถ้าในเรื่องศาสนาก็ห่างไกลจากคาสั่งสอนห่างไกลจากกฎระเบียบที่มาจากหลักการศาสนาเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสที่จะมีการปฏิเสธกูฟุตเนี่ยมีการปฏิเสธ และกับกอกมากกว่าแต่เรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เป็นกฎเสมอต้นเสมอปลายนะหมายถึงว่าใครที่เป็นชนบทเนี่ยเขาจะต้องความศรัทธาเขานี่จะน้อยกว่าไม่ไม่จำเป็นเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยก็จะพูดถึงชนิดหนึ่งประเภทหนึ่งของชาวชนบทที่เขามี إ ي م านเหมือนกันแล้วก็มีความประพฤติดีที่เอาลอปโปรดปรารเหมือนกันอันนี้มีแนะ่นอนทุกที่มีเหมือนกันแต่เทียบแล้วในโอกาสเสี่ยงในเรื่อง ความเป็นมุนาฟิกในยุคนั้นนะและในทุกยุคที่มีปัจจัยมีเงื่อนไขเหมือนยุคสมัยท่านนบีเนี่ยเรื่องมันก็จะเป็นแบบนี้ว่าอาจจะรูอะไรอะไรมูฮดุลลอฮและเป็นการสมควรยิ่งแล้วที่พวกเขาจะไม่รู้ขอบเขตมูฮดุลลอฮขอบเขตมูดูลละมั่นซัลลอฮขอบเขตในสิ่งที่อัลลอฮทรงประทานมั่นซัลลัลอฮ์ะอาราซูลิทรงประทาน ให้แก่ระซูลของพระองค์ก็หมายถึงวาละการศาสนาคือมันมีเรื่องมันมีเรื่องเกิดขึ้นสมัยสลัฟมีรุ่นแตบิอีนคนหนึ่งเขาได้ทำไปทำสงครามสงครามสงครามนนฮาวันเนี่ยพิชิตเปอร์เซียนหาวันเนี่ยเป็นเมืองหลวงของเปอร์เซีย ใครที่เรียนกุรานใครที่เรียนละกูเนี่ยก็จะคุ้นกับคําว่านาฮาวันนาฮาวันนี่มันเป็นทํานองหนึ่งที่เขาใช้ในการอ่านกุรานแต่มันก็คือทํานองที่มาจากเปอร์เซียนั่นแหละนาฮาวันชื่อเต็มเนี่ยนาฮาวันพิชิตเมืองนาฮาวันซึ่งเมืองนาฮาวันนี่ก็ถูกพิชิตพู้แม่ทัพนี่เป็นซาบะแต่กองทัพนี่เป็นเตเบียรอินเยอะเลย ถ้มีตาบีอินคนหนึ่งเนี่ยเขาพิชิตเมืองนาวันแล้วก็ประสบอุบัติเหตุในการสู้รบสงครามพิชิตนาวันเนี่ยถูกตัดมือนะหมายถึงว่าศัตรูนี่มาฟันมือมือเนี่ยขาดเขาก็เล่าเหตุการณ์ของพิชิตนาวันมันเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้มือซ้ายเนี่ยขาดนะแล้วก็มีอารอบ์บีมีชนบทคนหนึ่งนั่งอยู่ เขาก็บอกว่าเขาก็บอกกับผู้รู้คนเนี่ยที่เป็นแตเนี่ยบอกโอยที่ท่านอธิบายเนี่ยข้บบาพเจ้าซึ้งมากเลยอะซึ้งเพราะเ้าเล่าถึงเรื่องจิ่าตึงใช่ซึ้งมากเลยอะแต่พอมองที่มือของท่านเนี่ยถูกตัดไปเนี่ยข้บบาพเจ้าสงสัย ف إ ذ ا ن ظ a ตัวอีละสิแมลิกะไรตุมา ي ي เยริบุนิพห็น มือถูกตัดเนี่ยข้าพเจ้าจะสงสัยเอ๊ะเป็นขโมยที่ถูกตัดมือป่เอ๊ะเวลาคนขโมยเนี่ยเขาจะตัดมือขวาก่อนหรือข้างซ้ายก่อนขวาดิตัดขวาก่อน ulla ma kunia b n i ขาก็เลยอ่านไนี่ al aarabu a s จะไม่รู้ขอบเขตหลักการดดูนี่เนี่ย หลักการกติกาคําสั่งสอนของอลรรห์เนี่ยก็ไม่รู้เลยเวลาตักมือเนี่ยต้องตัอะไรแค่คนเล่าเรื่องเนี่ยแล้วก็มือข้างซ้ายในทุกท่านเนี่ยสงสัยว่าเป็นขโมยเป็นโจรแล้วแค่นี้แต่แสดงก็ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยบางทีคนที่ไม่มีความรู้แบบเนี้ยที่มีจะมีนิสัยแบบแบบอลลอร์แบบเนี้ก็จะตั้งข้อสงสัยกับคนอื่น โดยที่ตัวเองไม่มีพื้นฐานเรื่องเรื่องหลักการศาสนาเลยเช่นเห็นคนละหมาดนั่งทุ่ละหมาดนั่งทา ม, มีใครก็ทำกั น, นรู้มั้เขาไม่รู้ว่าละหมาดนั่งนี่มันละหมาดได้สำหรับคนที่มีอุปสรรคมีอะไรก็ละหมาดได้แต่เนื่องจา ก, กว่าไม่รู้เขาก็เขา ก, เขาก็เขาก็ตหนิไปก่อนฉะนั้นการที่ ไม่มีโอกาสเรียนรู้เรื่องหลักการศาสนาแต่แสดงความคิดเห็นอันนี้เน่เป็นนิสัยคือคนที่ไม่รู้กาละเทศะเนี่ยนิสัยของชนบทไม่รู้ก็คนที่รู้มารยาทเนี่ยไม่รู้ก็อะไรไม่รู้ก็อะไรไม่รู้ก็ไม่ชี้ไงไม่รู้ก็ต้องไม่ชี้ไม่รู้คดระวังตัวไงแต่ที่ไม่รู้แล้วก็ ชีเนี่ยชอบชี้เนี่ยไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเนี่ยไม่รู้กันละทศิศเพราะอะไรเพราะชนบทนี่เขาไม่มีกรอบก็จะไปห้ามเขาพูดเขาพูดพูดเขาว่าเขาด่าใครก็ได้เขาว่าใครก็ได้จึงเป็นนิสัยที่อุรามาเขาบอกว่ามันเป็นนิสัยเหมือนนิสัยของมุนาฟิกีนที่ผู้สัตว์ต้องระวังถ้ามีนิสัยเดียวๆอย่างเงี้ยก็จะมีลักษณะของพวกมุนาฟิกินแบบเนี้ย ไม่มีความรู้เรื่องศาสนาแต่ชอบพูดอันนี้ลักษณะของมุนาฟิกิตและมันสอดคล้องกับลักษณะมุนาฟิกิที่ท่านนบีพูดอิจฮัดตะตะกะดับตะพูดและวโกหนี่ไม่รู้แต่พูดไม่รู้แต่ชี้อันนี้โกหกหรือไม่รู้เรื่องศาสนาแต่ชี้ชอบชี้อ ا ล ل และ allah นั้นเป็นผู้ทรงรับรู้ผู้ทรงปริศัยแต่มีชนบทอาหรับอีกประเภทหนึ่ง ไม่เหมือนประเภทที่เป็นมุนาฟิกว่ามีชาวอารับที่จะทําให้พวกเขายด้รับรางวัลและจะมีการสรางความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาและผู้อื่นชาวอาหรับที่มีพฤติกรรมมุนาฟิกกับกอกและในหมู่อาหรับชนบทนั้นมีผู้ถือเอาสิ่งที่ตนบริจาคไปเป็นค่าปรับ ส่วนที่น บ, บีเรียกร้องให้บริจาคแล้วเขาบริจาคไปเนี่ยเขาถือว่าเหมือนค่าปรับซึ่งเราเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่อง zakat เนี่ยในอิสลามนะหรือบริจาคเนี่ย صد รกรในอิสลามชื่อแค่ชื่อเนี่ย zakat ดรกรเนีมันไม่เหมือนไม่เหมือนในศาสนาในภาษาอื่นเราจะเทียบ zakat ก, กับภาษี บางทีนักวิชาการเวลาที่บายให้ต่างศาสนาสการ์นี่มันก็เหมือนภาษีที่เราได้จ่ายให้ภาครัฐคนละเรื่องกันเลยนะภาษีเนี่ยมันก็มันก็เป็นข้อบังคับที่เราจะต้องจ่ายด้วยข้อบังคับโดยที่การที่เราจ่ายเนี่ยจะยินยอมหรือไม่ยินยอมเนี่ยต้องจ่ายถ้าไม่จ่ายเนี่ยถ้าไม่จ่ายภาษีเนี่ยก็ ก็ต้องมีค่าปรับด้วยซึ่งมันจะไม่มีผลอะไรต่อจิตใจของเราถ้าเราจ่ายไปแล้วไม่เหมือนสกาดค่ะเมื่อสกาดเนี่ยไม่ว่าสะอาดเราใจสกาดเนี่ยเพื่อชําระจิตใจของเราจากการที่เราได้ใจสกาดเนี่ยเราจะทําให้ท <c> ร <oughs> ัพย์สินของเราสะอาดจิตใจของเราเนี่ยก็จะสะอาดการงานของเราเนี่ยก็จะสะอาดนี่เรื่องสกาด าจากภาษีอย่างสิ้นเชิงศดัทธาบริจาคนี้ศดัทธาศรัทธมาจากซีดกุกมาจากความสัตด์สิทิงมาจากความบริสุทธิ์ซึ่งมันจะมีผลต่อสภาพจิตใจของเราเนี่ยในหลายมิติมันคนละเรื่องชนบทนี้เขาจะไม่มองอาราอาราบนี่ยเขาจะไม่มองว่าสากาัดนี้จะมีมันจะมีผลต่อสภาพจิตใจอ إ ม م ا นของเขาเขาจะมองว่ามันเหมือนเป็นคาบปรบับ เหมือนเขาทำบาปเขาทำอะไรผิดกฎหมายแล้วต้องมาจ่ายค่าปรับต่างกันอย่างสิ้นเชิงแล้วถ้าคนมองว่าอากาศมันเป็นแบบนั้นนะ่ะนะก็จะมีลักษณะเหมือนมูนาฟิกินแบบนี้และจะไม่ได้ผลลัพธ์ของอกาศในชีวิตของตัวเองอย่างแน่นอนถึงบอกว่าเราออกอกาศเนี่ยเราอย่าลืมเจตนาาการเจตนาที่จะออกอกาศเนี่ย มันจะทำให้เราได้ได้ไดประโยชน์ของสกาดเต็มที่เพราะสิ่งที่เราจะได้จากสกาดเนี่ยไม่ใช่ในการที่เราจ่ายอย่างเดียวนะไม่ในสิ่งที่ Allah จะตอบแทนเราสิ่งที่ Allah จะให้กับเรามันสิ่งที่เราจะได้มาจากการบริจาคสกาดเนี่ยความสุขสบายความสงบสุขความบริกะรมความจำเรือนี่นี่หละอยา่างที่มันจะตามมาหลังจากที่เราได้ออกสกัดไปแล้ว แต่ถ้าเรารู้สึกว่าอไม่อยากจะออกเดี๋ยวมันบังคับบังคับออกดีกว่าเดี๋ยวเข า, ว, าว้าอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้ผลผลลัพธ์ของสกัดที่เราต้องการเนี่ยมันจะไม่มาเขาจะมองว่าบริจาคไปเป็นค่าปรับมารมันและถือว่าเป็นการขาดทุนแน่นอนใครๆหนีจ่ายค่าปรับนี่ก็ถือว่าขาดทุน แสดงว่าคนที่ออกสาการหรือบริจาคซดกอเนี่ยเจตนาว่าเป็นสาการ์ซดกอเนี่ยเท่ากับเป็นคนที่ลงทุนกับ Allah เขาจะไม่รู้สึกขาดทุนไงอนนี้นีจึงบอกว่ามานะก็สมาลงมือซดะก้อคนที่บริจาคซดกอเนี่ยเงินจะไม่พร่องมันจะไม่ขาดแต่คนที่ไม่มีความเชื่อความศรัทธาในเรื่องนี้เนี่ยเขารู้เลยว่าหนึ่งแสนออกไปสองพันห้นี้มันขาดไปสองพันห้านี่มันลดไปสองพ หนึ่งล้านนี่หมดไปแล้วนี่ยสองหม้ามันหมดไป 20,000 หมดไปแต่แต่ความเชื่อของผู้ศรัทธาเปล่านี่มันไม่พร่องมันไม่ลดมันไม่หมดเพราะสิ่งเดียวเราจะเพิ่มคูณมาเดี๋ยวเราจะให้ความจําเริญมาที่หลังเนี่ยเราเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นจริงแต่เขานี่ไม่เขาจะมองว่ามันเป็นการขาดทุนไวตระบาสุภคุณเ ด, ดวายร์รบัวเข่ารอคอย เหตุร้ายที่จะเกิดแก่พวกท่านคอยฟังข้อมูลเพราะเขาไม่ได้อยู่ในเมืองเขาอยู่ในชนบทก็คอยฟังเอาสู้รบกันแล้งไงแพ้ไหมแพ้มนบีแพ้ไหมนบีแล้วก็สาวกนี่เขาแพ้มและอาจจะมีบางคนที่เคยไปสตีบันเคยไปรับอิสลามกับนบีแล้วก็มีแต่เป็นประเภทนี้จึงจึงจะเข้าใจว่า ทำไมพอท่านนบีสุลต่านและลัมเสียชีวิตเนี่ยชาวชนบทเนี่ยจนวนมากเลยมุดตัดดินไปหมดเลยคือออกจากศาสนานี่ตกลออกจากศาสนาเลยกลุ่มนึงบอกว่าเฮ้ยสกาดนี้เราเคยจ่ายให้นบีนี่ก็เหมือนค่าปรับนี่แหละถ้าอวกเนี่ยม่จ่ายมาให้จ่ายเราไม่จ่ายแล้วอีกกลุ่มนี้บอกว่าเราสแตยบันให้นบีคนเดียวคนอื่นเราไม่อาแล้วจบจนวนเยอะ บางรายงานบอกว่าในคาบสมุทรอาหรับนี่มีอยู่มีอยู่สามเมืองที่ไม่ได้ไม่ได้ออกมาไม่ได้ออกจากศาสนามา ก, กะมาดีนะส่วนมากของเมืองต อ, อิฟแล้วก็มีอยู่เมืองหนึ่งที่ปัจจุบันเนี่ยเราเรียกกันบาฮารีนแต่ตก่อนนู้นน่ะบาฮารีนเนี่ยมีอํานาจมาถึงคาบสมุทรอาหรับด้วย ตตอนนี้เป็นเกาะเล็กๆในอยูคค่ใกลกาตาเนี่ยต่เกานู้นนะขมัวบาเรนเนี่ยมันไม่อยู่ในข้าวสุนทรภู่มีไม่กี่เมืองที่ยืนหยัดที่ยืนหยัดในอิสลามเนี่ยเพราะอะไรมันศึกษาเรียนรู้และพยายามปฏิบัติตามหลักการศาสนายอย่างเคร่งครัดทบทวนคำสั่งสอนตลอดเวลาแต่ชนบทนี่ไม่มีเรื่องนี้ไม่มี ถึงขนาดที่มีชนบทกลุ่มหนึง่งที่บอกว่าพวกอารับเร่ร่อนเนี่ยะสมกับความแห้งแล้งในตำบลของเขาจนกระทั่งอดอยากแทบจะตายมาที่มา ด, ดีนา้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านนาบีสุลอ่ลลนานเลยวะบีเห็นภาพสงสารมากเลยพร้อมนี่แทบจะตายแล้วนบีก็เลยให้ไปอยู่ในเขตพื้นที่ที่เลี้ยงอูด ส่วนก็ที่เป็นสกาดนะกินนมนะกินนมในฮะดีซี่บอกว่าให้กินนมแล้วก็กินชีอูดชีอูดนี่อาหรับชนบทนี่เขากินกันเพราะชีอูดเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาขายเป็นคัพซูลเลยนะอย่ายีนะเดี๋ยวนี้แพงนะชีอูดเนี่ยแพงนะทําเป็นเล่นนะอนี้ทางวิทยาศาสตร์นี่เขาเขาพบสสุณอะไรหลายอย่าง เราไม่ใช่เวลาของเราที่จะมาที่บายเรื่องนี้เนี่พูดเรื่องมุนเดีมันจะยาวคือบางอย่างนี่ที่เราอาจจะรับไม่ได้นะอาจจะรับไม่ได้ตอนนี้เนี่ยที่หลังอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ได้ เ, เช่นตอนนี้เนี่ยทางนักวิทยาศาสตร์กำลังพูดอนาคตอาหารของมนุษย์เนี่ยในโลกใบนี้ลูกของเรานี่นะอยู่ที่หนอนอนาคตน่ะนะ ดังนี้ตอนนี้เนี่ยประเทศหลายประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มนิยมกินหนอนกันเยอะมากขึ้นหนะนอนหนอนตัวใหญ่นะรูทีนมันเยอะเลี้ยงง่ายไม่ต้องเสียทรัพยากร อ, อะไรมากมายเพราะว่าอนาคตเนี่อยู่ที่หนอนซึ่งในหลักการศาสนาเนี่ยมีบางมัซซาโบ ก, ก, กินไม่ได้แต่บางมัซซาโบกินได้หนอนนีหนอนที่คล้ายๆตะเกแตนกระแตนนี่กินได้น นี่นอนเนี่ยตอนนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยอาจจะมีเคยกินไหมเราก็เห็นเขาก็กินกันนะเขาตีก็ทอดอะไรเงี้ยแต่สักวันหนึ่งถ้าเราจะถ้าเราเจอเนี่ยโลกโลกของเราเนี่ยประสบอะไรสักอย่างเนี่ยและไม่มีอะไรจะกินจริงๆกันน ะ, ะ เ, นเราก็ต้องมารือ้อฟื้นดูมัศดาทศนะอะไรที่อนุญาตไหมอะไรเงี้ย นบีก็ให้พวกชนบทนี่ไปกินไปดื่มน้านมของอูดชีอูดจนอ้วนอยู่กันเป็นเดือนนะจนอ้วนอ้วนแล้วนี่ทํำยังไงป้นอูดสกาศอูดสซดคอเนี่ยป้นอูดทั้งหมดเลยแล้วก็ยามที่นบีแต่งตั้งเฝ้าอูดเนี่ยเฝ้าสกาศนี่นะฆ่าตัดคอแล้วก็ ทำลายดวงตาของเขาถึงขนาที่ท่านนบีสุลตนอะยูลนี่มีประเภทอาราบชนิดหนึ่งนบีเจอมาเยอะแล้วนะจประเภทอ่ชนบทพวกนี้อีกประเภทหนึ่งชนบทเหมือนกันมารับอิสลามกับท่านนบีสุลตสั่งชื่อเผ่าเริอัลละกัซกักวนมารับอิสลามกับท่านนบีที่มาดีน่นแล้วบอกว่าเรา อยู่นูนนะอยู่ชนบบทนันี่ไม่มีแหล่งความรู้เลยส่งครูมาสอนเราหน่อยน บ, บีก็เลยส่งกอรีเนี่ยก็คือคนที่มีความรู้ในบรรดาสฮะบะหลายสิบคนพอไปอยู่ที่นู่นนะะเขาก็เลยรอบสังหารสฮาบะที่เป็นผู้รู้ที่ท น, น บ, บีส่งไปทั้งหมดทําให้ท่านน บ, บีกุนูดนาวาซิลเนี่ยนี่ในะที่ไปที่มาของกูนูดนาวาซิลเหนึน่งเดือนนะ นบีกูนูทุกวัตตูเนี่ยสาบแช่งกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มชนบทที่บิดผิวหักหลังท่านนบีแล้วก็ไปฆ่าสฮาม่าที่ไปสอนฆ่าครูที่ไปสอนศาสนาอย่าตระหักบู้วิกุมหมดคือเขาไม่เลิ่มสายไงเขารอคอยเหตุร้ายที่จะเกิดแก่พวกท่านเหตุร้ายนี่ก็คือนบี่ายแพ้ชาวมักกานี่มา จการท่บนบีซอลลัลลอฮุวะลัยฮิวซัลลัม عليهم دائرة ส่อเหตุร้ายเหล่านั้นจงประสบแก่พวกเขาเถิดอันนี้เป็นการแช่งอัลลอฮฺสวาบนาบอัลแช่งว่าเหตุร้ายที่อยากจะให้มาประสบกับท่านนบีจงได้ประสบกับคนเหล่านี้เถิดเนอัลลาแช่ง عليهم แด่แด่ไอร่นี้แปลว่าวงกลมวงกลมนี้ก็หมายถึงว่า อันนี้เป็นสำนวนภาษาอาหรับนะคือเราเริ่มสิ่งร้ายใดๆเนี่ยมันจะมีรอบของมันเนี่ยจะวนจะวนแล้วก็มาหาเราอันนี้พอมันวนเนี่ยเนี่ยวนมันวงกลมใช่ปะ่ะอาหรับเนี่ยเขาก็าจะบอกว่าทุกคนที่เริ่มต้นเริ่มเหตุร้ายทําสิ่งร้ายเนี่ยสิ่งร้ายเนี่ยมันจะวนแลกลับมาหาเราอันนี้สำเนียงนะั่นแหละ عليهم دائرة سوء ก็ความหวังที่ให้เหตุร้ายเนี่ยจะสบกับท่านนบีเนี่ยมันก็จะวนมาหาพวกมันเองอัลลอฮุซามีญฺุอาลีมและอัลลอฮนั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเขาได้แฝงไว้ในหัวใจแล้วก็นึกว่าอัลลอฮ์เราสูญจะไม่รู้ประเภทอารับอีกประเภทหนึ่งเลยให้เห็นว่าอารอบไม่เหมือนกันซึ่ง เป็นเรื่องที่กุฎอ่านได้พูดอยู่เสมอเวลาพูดถึงกลุ่มหนึ่งมีความชั่วร้ายกุฎอ่านก็จะยืนยันว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะแม้กระทั่งอยู่อ า, า, านุกิจะเลยสุดเสาว่าอ่นไม่เหมือนกันหมดนะไม่ไม่ใช่สภาพเดียวกันนะมีนุ่มอมมาตัวก อ, อยมันก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่เคร่งคัดมมีละหมาดนี้ทำไอิบาได้อย่างเคร่งขรึมกุฎอ่านก็ใช้ความยุติธรรม ومن الأعراب لن يمو أرب نبودن من يؤمن بالله واليوم الآخر و ي ت خ ذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم سوأنيم ن يمو أرب نبودن من يпуст ت ه ا ل ل ه لون آخرة ت د ا الله لون آ خ ر และถือเอาสิ่งที่ตนบริจาคไปนั้นเป็นการใกล้ชิดกับอัลลอฮ์แปลว่าอะไรมันเป็นสำนวนก่อนหน้านี้เนี่ยชนบทอารักที่เป็นมุนาฟิกเนี่ยเขาถือว่าสิ่งที่เขาบริจาคเนี่ยเหมือนเป็นค่าปรับใช่ไหมเป็นการขัดทุนแต่กลุ่มนี้ที่เป็นผู้สัทธาต่อละละละวันปาราโลกละ ว, ว, ว, วันเกียร์มาเนี่ยเขาจะถือว่าสิ่งที่เขาบริจาคเนี่ย เป็นการใกล้ชิดการที่เขาจะทําให้เขาเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์และอยู่ใกล้ชิดหรือความสมควรที่จะได้ดูอาจากท่านนบีสุลลัลละเสร็จแล้วและเป็นการขอพอรของรสรุบะเต็นอินดัลลอฮิวาสซาลาวัตอันรสรุลผู้จะทำดีทำความดีเขาก็ต้องหวังเรื่องนี้หวังว่าเขาจะอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ سبحانه และก็ตาน แต่นี่ชาวชนบทเนี่ยเขาหวังว่าทําความดีแล้วเนี่ยท่านนบีจะขอพรให้เขาด้วยศัลลวะที่รอซูลหมายถึงว่านบีจะสัลละาะคําว่าสัลละาะนี่แปลว่าดุอาไงเคยอธิบายแล้วหลายรอบนะสัลลเนี่ยอีกความหมายหนึ่งของคําว่าสัลานี่ก็แปลว่าดุอาสัลลวะที่รอซูลหมายที่ว่าตัวท่านนบีเนี่ยจะดุอาให้ท่านนบีไม่อยู่ละ เราทำความดีคนที่หลังจากท่านนาบีเสียชีวิตเนี่ยทำความดีอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอ์นี่อันนี้ใช่แต่จะให้ท่านนาบีขอดูอาให้เราอันนี้นบีไม่มีชีวิตแต่เราจะได้ได้ข้อดีนี้เหมือนคนในยุก่อนไหมไม่ได้และนี่คือข้อแตกต่างระหว่างเรากับสัฮาบะ ซอฮาบานี ي, ่โชคดีทําทความดีแล้วก็ท่านนาบีรู้ว่าเขาทำอะไรก็ได้ดูอาของท่านนบียิ่งแต่ท่านนาบีรู้นะเหมือนชาวอังซอรในสวนคำต่ออิฟนี่ที่เราเคยเล่าก่อนหน้านี้นท่านนาบีได้ทรัพย์เฉลญเยอะมากมายท่นานนบีแจกทรัพย์เฉลยส่วนมากนี่แจกให้ให้คนที่รับอิสลามใหม่ๆโดยเฉพาะอัลฮานาเผา ชาวอันซอรไม่ได้อะไรเลยนบีไม่ให้อะไรเลยทำให้ชาวอันซอรหลายกลุ่มนี้ก็รู้สึกน้อยใจก็เรื่องถึงท่านนบีนี่ว่าชาวอันซอรนี่เขารู้สึกน้อยใจนะนบีก็เลยรียกศาสตร์ดุบนะฮะเป็นหัวหน้าของชาวอันซอร์ที่จริงก็เป็นหัวหน้าเผ่าคัสรอดินเนี่ยแต่ชาวเอาสเนี่ยเขาก็เคารพนับถือเขาก็ถามว่า นี่ชาวอันซอรเขาคิดยังไงเขาบอกเขาก็น้อยใจกันนั่นนะท่านนะเขาน้อยใจที่เขาเนี่ยเสียเลือดเสียเนือ้อเสียสล่ะให้ท่านนาบีตลอดมาเนี่ยแล้วก็พอมีทรัพย์เฉลยเล็กน้อยเนี่ยท่านนาบีก็ยุบหมดไปให้คนที่เพิ่งรับอิสลามใหม่เขาก็น้อยใจนบีก็บอกว่าและเจ้าละ่ะฮิซานตนมาและเจ้าละ่ะเพราะว่าข้าพระเจ้าก็เป็นคนหนึ่งในหมู่อันซอร หมายถึงว่าเขาก็ก็น้อยใจด้วยเรงินเรียกมาเลยเร so Samuel, ียกอัลซอร์มาหมดเลยและไม่ต้องให้ใครมามาเข้ามัสยิดมาเข้ามัสยิดนอกจากอัลซอรศิ่งนบีนะกลับแล้วสิ่งนบีนะกลับมาดีนักันแล้วไม่ให้ใครเข้ามัสยิดนี่นอกจากชาวอัลซอร์เดียวคือเรื่องนี้ผมเล่าทุกเรื่องทุกครั้งนี่ผมก็ รู้สึกจิดใจนี่มันรู้สึกรู้สึกว่าเราแย่มากเลยครับนบีก็บอกกับชาวอังซอรว่าพวกเจ้าเคยพวกเจ้านี่เคยหลงผิดเคยเป็นกาเฟตเป็นคนหลงผิดไม่รู้เรื่องอะไรเลยและได้รับพรีดายะาพอข้ามาเจ้าเองไม่ใช่หรือพวกเจ้าเคยแตกแยกกันไม่มีชิ้นดีเลยเอาสฆ่ากันไม่เหลือชิ้นดีเลย แล้วพวกเจ้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวเนี่ยพอข้าพรเจ้ามีใช่หรือชาวสซัก็บอกว่าแน่นอนบุญคุณของของนา บ, บีเนี่ยเราไม่ปฏิเสธเนี่ยนา บ, บีบอกว่าแต่พวกเจ้าสามารถพูดได้เหมือนกันว่าก็ฉันอยู่ที่มักกะมีมีใครศรัทธาต่อฉันเลย จนมาที่มาดีน่าเนี่ยพวกเราหมายถึงว่าพวกอังซอสนี่ไม่ใช่หรอที่ได้เชื่อเต็มที่กับท่านนาบีไม่ใช่หรอข้าพเจ้าไม่มีใครสนับสนุนฉันจะได้เผยแพร่อิสลามนี่จะมีแต่พวกเจ้าไม่ใช่หรื อ, าาา อ, อ, อ, รอโอชาอัซอสพวกเขาจะดีใจว่าได้อู่ตัวนั้นได้แพะตัวนั้น พวกเจ้าไม่ดีใจหรือที่ได้นบีกลับบ้านไปนบีเทียบนะว่าที่ให้หัวหนะ้าพผ่าคนนี้เนี่ยอูร้อยตัวมันได้ไปแล้วเนี่ยได้ดุนยาไปแล้วเนี่ยได้อู่ได้แพ้แต่พวกเจ้านี่ได้ น, บ, นบีนะนบีทั้ ง, งนบีนะโอชาอันซาร์พวกเจ้านี่คือเสื้อชั้นในนบีนบีใช้ภาษาอับอันตุม เชียร์พวกเจ้านี่คือเสื้อชั้นในที่ติ ด, ด, ดสรีระติดผิวหนังของฉันวันน้าสุดิีซาร์แต่คนอื่นเนี่ยล้วนเป็นเป็นเสื้อเสื้อชั้นนอกคนคนข้างนอกคนในกับคนนอกโอชาวอันซาร์เราเละอกคนนาสุฟัจดจนวราเลื ل, ل, ل อกอันซารุฟัดจนและเละอกทุฟัดจลาอันซาร์ ถ้าผู้คนทั้งหลายเนี่ยขาเาเลือกเส้นทางเดินไปเส้นทางไหนแล้วก็ชาวอันซอรเฉพาะนี่าแยกลางมาเดินเส้นทางอีฉันเนี่ยจะเดินเส้นทางกับอันซอรนบีแล้วก็ขอีขอดูอัลลุมมารฮมลอันซารวะอลอันซรวะอบอลอันซรนบีขอดอ้เจ้าอันซรลูกอล้านอันซอรเลนอันซร ผู้แรงงานฮานิสบอกว่าจำไม่ได้ว่านาบีนับกี่รุ่นขออุทิศให้ชอนซ์และก็ลูกหลานเขาเนี่กี่รุ่นจําไม่ได้นี่คือขอ้อแตกต่างระหว่างเรากับสัฮาบะสัฮาบะนี่เขาเขาเขา้ขาสู้เข า, ส, ขาสู้รบกับท่านนาบีเขาเสียสละนี่เนี่นนยในเรื่างฟิกหนา้าเรื่องมุนาฟิกเนี่ยเขายืนข้างเคียงท่านนาบีสุลตานเลยสั่งขนาดนี้แน่นอนเขาก็ต้องมีอภิสิทธิ์มากกว่าคนอื่น คนเราเนี่ไม่รู้เลยถ้าอยู่ในยุคนั้นเราจะอยู่เราจะอยู่ในกลุ่มกุ้มไหนอ ย, อยู่ในกลุ่มพวกพวกที่ต่อต้านท่านนาบีหรือพวกที่กับกรพวกมุนาฟิกเนี่ยเราเร า, เราไม่รู้เลยเพราะในขณะที่นี่ขนาดขนาดตอนนี้เนี่ยนบีไม่อยู่นะแล้วเราก็ยังอ้างว่าเป็นมุสลิมนะเราก็เห็นคนบางคนเนี่ยก็เลือกข้างยิวใช้ล่ละก็ยังอ้างว่าเป็นมุสลิมนะ แต่ก็เลียกข้างยิ่เฉยเลยเดี๋ยวจะมีอายะนสุตบนตอนท้ายเนี่ยพูดถึงเรื่อง zakat อัลลอฮฺบอกกับดั้นนบีขุดมีอ و ا ل ให้เขาซักดันจงเอา zakat จากพวกเขาเนี่ย to taahirum มละ to zakim อยากให้ zakat เนี่ยชำระที่ใจของเขาวอลี้จงอะไรให้เขานบีเวลาจะรับ zakat จากใครนบีก็จะขอดุทิศให้เา ดูอาของท่านนาบีนี่มุสต jab แน่นอนแต่มันก็กลายเป็นซุนนะสำหรับคนที่จะรับสกัดจากใครเนี่ยควรที่จะขอดูอาให้เขาี่เป็นซุนนะของท่านนาบีสัละละ ล, ล, ล, ล, ล, ลแต่ดูามันก็ไม่เหมือนกันแน่นอนไม่เหมือนกันแน่นอนแล้วเราจะทำยังไงจะได้ให้ท่านนาบีดูอาให้เราลมันมีดูอาที่ท่านนาบีขอดูอาทั่วๆไปให้คนที่ทำแบบนี้ นบีก็ขอด้วยเขาเช่นตัวอย่างนะรักมัลลัลุมัน ص ل ล ة ก่อนละอัสรีอารบานขอละได้ไมตาคนที่ละมาดก่อนอัสรีในสี่ระกาดอาดิสนี้ก็มีความขัดแย้งระหว่างอุลามวะซูฮีร์ฮัสซันนบีขอด้วยคนที่ละมาซุนนะก่อนอัสรีในสี่ระกาดแต่คนที่ทำในสิ่งที่ท่านนบีพูดนะถือว่าเสมือนว่าท่านนบีขอด้วยเขาจริงไหม เพาะเขาทำเขาทำในสิ่งที่ท่านนาบีบอกว่าถ้าทำนะฉันขอด อ, ดอุทธรณ์เลยแสดงว่าถ้าใครที่เสียใจบอกว่าโ อ, โอ น, นเราก็ไม่มีโอกาสาที่จะให้นบีขอดุทธรณ์เพราะนาบีเสียชีวิตแล้วเนี่ยไม่ใช่ดุอาองนาบีนี่อัมตะสําหรับเรื่องที่มันอัมตะเรื่องที่มันมีส ม, ม่ำเสมอเนีน่ยถ้าท่านนาบีผูกพันผูกมัดดูอาของท่านกับเรื่องนั้นๆนนนะกับเรื่องอัมตะนั้นๆนะดูอาของท่านนาบีก็จะถึงเราแน่นอน ถึงเราอย่างแน่นอนหน้าที่ของหน้าที่ของผู้สัตว์นี่ก็ต้องไปดูหาดูส่วนไหนที่ท่านนบีสุลต่านเลือดสลิมขออุทิอแล้วเราก็พยายามทําในส่วนนั้นเราจะได้พบกับดุอิที่ท่านนบีสุลต่านเลือดสลิมอัลละพึงรู้เถิดอินนากุรบะตุลละหุมแท้จริงมันเป็นการทําให้ใกล้ชิด แก่พวกเขาอันนี้แน่นอนหมายถึงว่าที่เขาได้ชําระส a k a t ที่เขาได้บริจาคในหนทางของเราโดยเจตนาที่จะอยู่ใกล้ชิดกับเราเนี่ยจะทําให้เขาอยู่ใกล้ชิดกับเราอย่างแน่นอนจะยุดิิลุห์มุลลัลร์รอห์มัติอัลลอฮ์จะทรงให้พวกเขาอยู่ในความเอ็นดูเมตตาของพระองค์อินนัลลอฮ์ก็ฟุร์รหิมแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงมาเพื่อโทษทรงเอ็นดูเมตตาเสมอสรุป แล้วจากสามอายานี้ที่อัลลอฮฺได้พูดถึงประเภทชนบทอาหรับชนบทที่ที่มีความเป็นมุนาฟิกะนะสาระสำคัญก็คือชนบทที่ห่างไกลจากแหล่งคาสังสอนการเรียนรู้และการศาสนาแสดงว่าเรายิ่งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ศาสนาเราจะยิ่งห่างไกลจากความเป็นมุนาฟิก และด้วยเหตุนี้ในบันทึกของอิหม่ามอับดุลดท่านนบีสุลต่านบอกว่ามันบดดาเจฟ่มันบดดาเจฟ่คนที่ไปอยู่ชนบทนี่นะเฟาจะแข็งกระด้างหัวใจเขาจะแข็งกระด้างเพราะอะไรห่างไกลจากคาสังสอนไม่ไดเรียนรู้ะอดีต่อมาท่านนบีบอกว่าโอมันโอมันตบะไซดะฟัล แล้วคนที่ติดตามล่าสัตว์หมายที่หมดกิจวัตรของเขาเนี่ยทุกวีวันเนี่ยก็มีแต่ล่าสัตว์แลฟาัลทำอะไรอ่ะแลัอะไรจะเกิดขึ้นน่ะเขาจะอยู่ในสภาพที่เผลอห่างไกล จ, กกจกละกรรมจะหลักการจะคาสั่งสอนแลฟันลอแล้วคขาบอกว่าเป็นคนเผลอไม่ไม่เอาไหนอันนี้เรื่องจริงคนที่ชอบยิงนกล่าสัตว์ตกปลา คนที่ตกปลาเนี่ยไม่ใช่ชาวประมงนะทีอ่อย่าคิดผิดนะคนที่ตกปลาเนี่ยไม่ใช่ชาวประมงนะไอที่ชอบซื้อแบดแบดกันเบีดกันแล้วอะไรไปไปนั่งตกปลากันทั้งวันและหมาดก็ไม่ละหมาดอ่านกุตอานก็กไม่อ่านนี่ในชัดเจนเลยนะไม่เคยเห็นเลยนะคนที่ไปตกปลาแล้วก็ อ, ากาอ่านกุตอานรอปลามื่อ่านกุตอานเวลาว่วางๆนี่สิคุรไหมมีนะ ม, มีส่วนมากทําอะไรตกปลาแล้วทําอะไรกัน่ะฮะ คุยกันดูคลิปกันรอรอรอรอเบ็ไงรอรอปลาไงนีบบ่นาพีพูดคือถ้ากิจวัตรของเขานี่ได้แต่ล่าสัตว์อย่างเดียวนะมันไม่ได้เป็นอาชีพประมงนี่มันมเป็นอาชีพไม่ใชไม่คนตกปลานะคนที่เป็นประมงโอ้มันด่งขลสุลต่านอิฟตัดัและคนที่ชอบเข้าพบผู้ปกครองอิฟตัดัน ต้องพบกับฟิตนะหมายถึงว่าคนที่ชอบชอบเข้าเฝ้าหาเจ้านายอยู่ใกล้ชิดกับคนใหญ่คนสูงมีตำแหน่งชอบชอบชอบอยู่ อ, อิฟตะดันต้องพบกับฟิตนะจริงไปล่ะจริงมากเลยหมายถึงว่าเข้าไปพบกับผู้ปกครอง ท, ท, ท, นะที่ไม่ยุติธรรมนะที่ไม่ไม่ใช่คนดีนะแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ปกครองที่เป็นคนดีเนี่ยเข้าไปอยู่กับเขานี่ไปเตือนเขานี่หรือไปแนะนำข้อในเรื่องที่ดีเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่สลับก็ทํากันแต่สิ่งที่สลรภาพไม่ทาเนี่ยถ้าเป็นผู้ปกครองอายุติธรรมเนี่ยเขาจะไม่เข้าใกล้เลยเงินก็ไม่รับการสนับสนุนก็ไม่เอาเขาไม่เข้าไปยุ่งเลย เพราะมันจะเกิดฟิตหน้ากับชีวิตของเขาแน่นอนนะครับแต่นั้นไม่ได้หมายรวมว่าคนที่จะเป็นคนชนบทนี่เขาจะเป็นมุนาฟิกเสมอแต่ถ้าหากว่าเขาเป็นคนชนบทก็จริงแต่พยายามที่จะอยู่ใกล้ชิดกับคำสั่งสอนเรียนรู้เขาก็สามารถหลุดพ้นจากลักษณะของชนบทที่อัลลอได้ตำหนิไว้ในกุรอาน Quran นะครับก็อาเป็นเพงเทนี้นะครับอัส ล, ลามุ อัลลอนาบนมีมุฮัมมัดและ อ, อาลีอั ล, ลัพี่น้อมีคำถามไหมครับพเพราะในแ a b อ่ะนะที่ใช้เซลอะไรพวกเนี้ยนะเนื้อสังเคราะห์ได้ครับมมีวิทยานิพนธ์เรื่องเนี้ยได้ในทัศนะคือเรื่องนี้เรื่องนี้มันยังไม่ยังไม่ไม่ไม่ถึงขั้นเป็นเป็นเป็นพาณิชย์ยังยังอยู่ในระหว่าง การทดลองมีประเทศบางประเทศที่เริ่มทําแล้วแต่มันราคายังสู้ไม่ได้สู้ตลาดไม่ได้มันยังแพงอยู่แต่แตาสมมุติว่ามันเขาทําแบบพว ก, กําลังเขา ก, กําลังวิจัยกันอยู่ถ้าสมมุติว่าวิจัยนี่หมายถึงว่าในอนาคตนี่นะคุณจะซื้อหลอดหลอดนี่มีเซลลส ม, มุดด่วเซลลเนื้อเซลลไก่เซลปลา และหลอดนี้คุณจะไปพาะในตู้เย็นเรืจะใส่น้าหรือจะใส่สารอะไรก็ไดา้มานะอีกวันหนึ่งคุณจะมีเนื้อหนึ่งกิโลอยากได้กินตับตับไก่ตับวัวอย่างเงี้ยคุณก็จะมีเซลลของตับเนี้ยแล้วสามารถเพาะเซลเนี่ยให้มันมีสักหนึ่งกิโลเนี่ยกินตับอันนี้ที่เขาหวังว่าเขาจะทํำมานะในอนาคตแต่ตอนนี้เนี่ย ตอนนี้นเนี่ยเาก็ทำแล้วแต่มันต้องเพาะในหลบต้องใช้เวลาพอสมควรทำกันแล้วนะที่สงกโร็รบก็มีที่ประเทศอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนาเรื่องนี้มากที่สุดทำกันแล้วแล้วรสชาตินี่ก็เหมือนเหมือนเด่นดเดดยยลเนยคือประเด็นมันคือประเด็นอยู่ที่ว่าถ้าเขาเอาจากถ้าเขาเอาเซลจากสัตว์ที่ถูกเชื่อตามหลักการศาสนาเนี่ย มันมันก็โอเคแต่ประเด็นถ้าเขาเอาเซลเอาเซลจากสัตว์ที่ไม่ได้ถูกถูกเชื่อตามหลักการศาสนามันยังมันยังยังมันยังไม่เป็นประเด็นเนี่ยเพราะอะไรเพราะคือเซลเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันจะไม่ได้ไม่ได้มาจากสัตว์เลยอ่ะเขาจะเอาจากสันหลังเลยนะซึ่งซึ่งจะเป็นเซลที่มันมันมันไม่ได้เป็นเซล์ที่จะต้องเชื่อหรือไม่หรือไม่ได้เชื่อ แล้วมันจะสามารถเพาะประพีดเซลล์อื่นได้หมายถึงว่าเซลล์สันหลังนี่สามารถเพาะเนื้อขาสะโพกเพาะอกก็ได้อะไรก็ได้เรื่องนี้ผมเคยถมำวิทยานิพนแต่สรุปแล้วก็ทําได้นะแต่ไอเรื่องรายละเอียดเนี่ยรายละเอียดเนี่ยมันก็ว่ากันไปเพราะมันยังมันยังไม่แท้แท้ที่คิดจะปฏิบัติตตตจริงนย่างมืองไทยนีย่ไม่มีม ยังประเทศไทยที่มีที่เขาที่เขาผมเคยไปดูมีห้างเขาขายเขาขายอะไรเนื้อไก่เขาแบบเนื้อไก่เทียมอันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อไก่จริงมันมันมาจากพืชแล้วก็เขาปรับปรุงปรุงรสชาติเนี่ยให้เหมือนแต่ น, นี้มันจะเป็นเนื้อจริงและที่เขากําลังวิจัยเรื่องนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาบอกว่า การเลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์เนี่ยมันจะสิ้นเปลืองทรัพยากรหลายเรื่องเรื่องน้าเรื่องดินเรื่องอะไรแต่ของพวกนี้เนี่ยไม่ไม่สิ้นเปลืองอ่ะไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรมีหลายเหตุผลน่ะ น, นะผมสนับสนุ น, นด้วยแต่มันยังมันยังเป็นเทคโนโลยีไฮเทคหน่อยแล้ว ก, แวก็แล้วก็ยังยังแพนถ้าจะไปกินต้องไปสิงคโปร์ น, นู่นมีร้านเขา ข, ขายแฮมเบอร์เกอร์ แล้วมีฮาลาลด้วยนะเออร้านที่ก็ก็มีมีบางส่วนที่มีฮาลาลด้วยก็ยังหากินไม่ได้หรอกก็มีเคล้าฟนะครับระหว่างคนลลามาว่าถ้าเป็นการละหมาดเพียงสองระกาดเช่นซุปฮีหรือการละหมาดซุนนะทั่วไปสองระกาดนี้ก็มีเคล้าเาว่าระกาดที่สองนี่จะนั่งราบนั่งราบเหมือนนั่งตะหียาตในสี่ระกาดที่เราได้นั่งตะหตียัดสุดทาราาดสุดท้ายเนี่ยหรือจะนั่งตรง ที่เขาเรียกว่าที่เเรียวอิฟติรอชเนี่ยอิฟติอิฟติรอชเนี่ยคือนั่งตรงราบนี่ก็คือตะวรุกก็คือนั่งบนบนข้ออ่อนเนี่ยบนก้นเนี่ยก็มีคิราาระหว่างอุลามะทศนะหนึ่งเขาบอกว่าให้นั่งให้นั่งไม่ให้นั่งราบเนี่ยให้นั่งตรงเหมือนนั่งระกาที่สองในสี่ระกาเขาอ้างเขาเนฮะดีษ ในสุวนอันนาไซซึ่งคนนี้เห็นทศนะนี้นี่ก็มีเชคแอลบานีคนเดียวผู้โวยในหนังสือซิบัสซาลาตุนในพีแล้วเขาอ้างถึงสุวนอันนาไซบ์แต่อุลมาท่านอก็ไปดูของรื่อยของสุวนันนามันก็ไม่ชัดไม่ชัดว่าท่านนบีนั่งตรงไม่ชัดว่าท่านนบีนั่งตรงเขาก็ยึดว่าที่มี ที่มีการเล่าเรื่องการนั่งของท่านนาบีเนี่ยที่ซอฟบะได้เห็นเรื่ท่านนาบีเห็นท่านนาบีนั่งเนี่ก็คือตอนที่ท่านนาบีนั่งราบเนี่ยที่เรียกว่าตะวารุกเนี่ยนั่งก้นข้างซ้ายนี่นะครับก็ตอนรักาสุดท้ายอุลลามะก็เลยทีความว่าทุกรักาสุดท้ายเนี่ยก็ให้นั่งแบบนั้นอันนี้คือสุ น, า น, นาัขนบีนี่ทัศนะอุลลามะส่วนมากนะแต่ถึงกระนั้นก็ตามนะ่ยถ้าเรานั่ง แต่อย่างที่นั่งท่าไหนก็ได้นี่ก็ก็ถือว่าใช้ได้นะไม่มีปัญหายิ่งถ้าหากว่าคนที่มีอุปสรรคในการนั่งไม่สะดวกที่จะนั่งแบบแตะวารุกเนี่ยก็นั่งท่าอื่นก็ได้นะครับมันไม่ได้เป็นข้อบังคับจะเป็นสุนทรคของท่านนะีถ้าทําได้ก็ดีได้ผลละบุญมากกว่าเสียนั้นละหมาดก็ผายลมอุจระปัสสาวะเท่านั้นอับดุอาบบัสบอกว่าอัลวุฎุมิ ม, มัฮฺรจ การอนละหมาดเฉพาะสิ Harriet, ata, ่งที่ออกจากร่างของเราส่วนเรื่องสัมผัสสตรีอันนี้ทศนโอลมาส่วนมากเนี่ยก็ไม่ไม่เสียน้าละหมาดและมีโอลมาขดยนว่าอาเจียนต่ทําเสียน้ำละหมาดหรือเปล่าทศนาถต้งนี้ไม่เสียน้าละหมาดที่มีเคล้ากันนะขวเสียน้าละหมาดหทศนาถต้งีไม่เสียน้าละหมาด เลือดออกนี่เสียน้ละหมาดไหมถ้าไม่ได้ออกจากทวารเบาทวารหนักนี่ก็ไม่เสียนละหมาดในทศนะที่ถูกต้องเช่นเดียวกันฉะนั้นจําไว้ง่ายๆนะครับที่เสียน้ละหมาดนี่ก็คือสามอย่างเท่านั้นแหละไผ่ลมอุจระปัสสาวะก็คือสิ่งที่ออกจากทวารเบาทวารถ้าเลือดออกจากทวารเบาทวารหนักเนี่ยแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะก็เสียน้าละหมาดอะไรที่ออกจากทวารเบาทวารเบา ไม่ไม่เสียไม่เสียอนนี้ทัศนะ์นอลุลละทั้งหมดเลยโดนอะดิเสียงเดียวเนี่ยไม่เสียนะอุลละมาทั้งหมดนะสมมติด้วนี่นของเสนแสบนี่แล้วก็เออแล้วก็ไปโดนของอะดิสเนียหรือไปโดนขี้หมาอะไรเงี้ยก็ล้างส่วนนั้นล้างส่วนที่โดนอย่างเดียวนะไม่เสียน้ําละมัดแต่อย่างไดนะอันนี้อันนี้ไม่มีคริปเลยนะโดนอะดิสเนีย่ยไม่ทําให้เสียน้ําละมัดนะครับเสียน้ําละหมัดในละหมาใช่ปะ่ะก็ออก ออกได้นคือได้คือต้องเข้าใจนะว่าการละหมาดเนี่ยการละหมาดเนี่ยเราห้ามห้ามเดินตัดหน้าคนที่ละหมาดใช่ปะแต่ถ้าเราละหมาดจะมาห้าเนี่ยห้ามเดินตัดหน้าเฉพาะอิห ม, มั่งแต่ถ้า ม, ามัมุูมเนี่ยเดินตัดหน้าได้เลยน ะ, ะเรียกว่าสุตระคําว่าสุตร้อแปลว่าสิ่งที่จะกั้นนี่ น, น, น, นี่สุตร้นี่เนี่ย ยกให้น่อยกให้หน่อยให้พี่น้องเขาดูนี่เนี่ยที่เราทำเนี่ยสุตร้อนเนี่ยอันนี้เนี่ยความสูงของมันเนี่ยสองคืบเนี่ยเท่ากับอ่าคนร์เรอไฮลานีก็คือก็คือเก้าอี้ที่เขาวางบนอูดจะได้นั่งบนอูดเนี่ยมีความสูงของมันท่านนาบีบอกว่าคนที่ละหมาดเนี่ยให้มีสุดร้อให้มีสิ่งที่บังบังละหมาดของเขาเนี่ยอย่างน้อยนี่รอไฮลานี่ก็คือประมาณเนี่ยสองสอคืบแบบเนี้ย สำหรับกาละมัดจะมาเนี่ยสุตระนสุตระของอิหมามเนี่ยเป็นสุตระของมะหมูมนบีบอกสิ่งที่บางอิหมามเนี่ยนี่ก็เพียงบอกอย่ให้อยให้ตัดหน้าอิหมามแล้วกันแต่ตัดหน้ามะหมูมเนี่ยนี่ไม่มีไม่มีปัญหานด้บอกไหถ้าสมมติว่าเราเข้ามาแล้วก็ก็ละหมาดยังอยู่แล้วเราเห็นซอกแรกนี่มีมีช่องว่างแล้วเราก็จะตัดหน้าสามสี่ซอกนี่จะได้มาละหมาดขึ้นนานี่ได้ไหมได้ไม่ผิดไม่ผิดเลย หรือล่ะอย่างที่ถามนี่เราอยู่ข้างหน้าเนี่ยแล้วก็จะตัดหน้าจะได้แผละหมาดแต่ไม่มีปัญหาเลยเราละมาเขาแนะนำด้วยสำหรับบางคนดีเสียน้ำละหมาดแล้วก็ไม่รู้จะออกอยังไงเนี่ยให้ทำท่าเหมือนเหมือนมีเหตุเลือดไหลาจากจมูกละมาเขาเรีกันรรัวอาบเนี่ยรัวอ้มีเลือดไหลาจากจมูกเพราะได้ไห ล, าหลาจากจมูกเนี่ย จะทําให้คนเนี่ยละหมาด ต, ต่อไม่ได้ไงต้องออกไปไปเช็ดไปล้างใช่ไม่มอุลามาก็แนะนําว่าคืออยู่ดีๆเราผายลมอย่างเงี้ยแล้วเสียนลมาดแล้วก็ต้องออกจากละหมาดเราจะได้ไม่เขินและไม่ต้องให้ใครสงสัยเนี่ยสามารถทําได้เอาผ้าเช็ดหน้าแล้วก็คนจะได้อ่อนคง น, น้ำมูกไหลหรือเลือดไหลอะไรสักอย่างนึงเราจะได้ไม่ไม่เขินนี่นี่นนอุลามาเขาบอกให้ให้ทางออกด้วยนะ เราจะได้ทําแบบไม่ไ ม, ไม่ไม่ลำบากใจเพราะบางคนเนี่ยยอมละหมาดเสียเสียน้ําละหมาดแล้วก็ยอมละหมาดต่อยอมละหมาดต่อเพราะอะไรอ่ะดูเขารู้รู้ว่าเราตดในละหมาดนี่นก็ยุ่งแต่เขาถามเนี่ยเราจะตอบยังไงอย่างเงี้ยเอออย่างนี้ไม่ต้องอลยแต่เราทำท่าว่าอ๋อพอดีมีปัญหานิดนึงครับตัดหน้าได้นะครับคนออก็พยายามหาหาทาง เออหาทางที่แบบเ่อให้เรียบร้อยหน่อยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะรถไฟนะบุกแล้วก็แบบคนก็ค่อยๆเนี่ยจะทาทําท่าว่าเออเราเนี่ยคนก็ต้องเข้าใจคนก็จะหลีกให้ได้นะเออคนที่ดื้อแล้วก็รู้ว่าคนจะออกเนี่ยหลีกให้ได้นะฮะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าดื้อ น, นะมีไปไหน อ, อะไรเงี้ยไม่ใช่นะหลีกให้ได้เนี่ยหลบหลบให้ไหนเขาผ่านเนี่ยได้คือบางทีเนี่ย คนเนี่ยเรื่องและหมาย่าจะทำตัวเคร่งที่สุดนี่อยาอยาให้ใครมายุ่งกับฉันละกันน่ะฉันจะอ่อะดีซีท่านนาบีบอกว่าอยาให้ใครมาตัดหน้าใช่ป่ะห้ามเขาห้ามเขาใช่ป่ะแล้วถ้าเขาไม่ยอมเนี่ยก็สู้กับมันเลยนะ่ะมันคือชัยตอนนะ่ะ <laughs> คือนี่เป็นอุปมานี่เป็นอุปมาเพราะสมมุติฐานนะว่าคนเขาไม่รู้จริงๆ เขาจะข้ามเขาไม่รู้จริงๆแล้วเราจะสู้กับมันชะตอนจริงเไม่ใช่นี่เป็นอุปมาถสมมติว่ า, เ, าเราห้ามเขาแล้วแลวกเขาไม่ได้ก็ให้เขาไปแล้วบางคนเนี่ยเข้าใจผิดด้วยนะไอ้ตัดหน้าเนี่ยคาว่าตัดหน้าคนละหมาดนี่ไม่ถึงวันทุงินละหมาดของเราเนี่ยเสียบางคนเข้าจะอย่างนั้นนะถ้าปล่อยให้ตัดหน้าเนี่ละหมาดเสียไม่ใช่ไม่ได้เสียถ้าเราปล่อยให้สเปสปะใครจะผ่านก็ผ่านเนี่ยอันนั้นนะ่ะ เราจะลดผลบุญของละหมาดของเราเพราะเราเนี่ยไม่ให้เกียรติกันละหมาดก็เลยบอกวเราต้องรักสัจธมที่ดีคนเราเนี่ยจะจะทำอะไรธุระอะไรเนี่ยเราต้องจะกินอย่างเงี้ยนะกินก็ต้องหาที่เรียบร้อยหน่อยจะได้กินใช่ไหมเอออยาจะอ่านหนังสืออย่างเงี้ยจะละหมาดอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาที่เรียบร้อยเต็มทางเดินคนอย่างเงี้ยเราคนเดินไปเดินมาแล้วแกูจะละหมาดตรงนี้แหละไม่ได้ต้องหาที่เรียบร้อย เข้าใจเรื่องหลการศาสนานี่นี่เรื่องการละเทศเหมือนกันการละเทอย่างเช่นคนที่รู้ว่าสุนน่านะนะบีเ น, นี่เคยละหมาดใส่รองเทา้าย่ําฝนย่ําดินย่ําอะไรแล้วกันนี่มามาละหมาดทําอะไรการลงจะปฏิบัติสุน น, น่านบีไงอันนี้เกิดขึ้นนี่เกิดขึ้นจริงนะเกิดขึ้นจริงนะคอนใส่รองเทา้ารองเท้านี่มันเละเละติมเป็นแล้วกับคนใน ในมัสยิดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่มีผู้รู้สักคนหนึงมีแต่อาวามคนที่ไม่รู้แน่นอนโดนโดนฟาดเจเละเลยคนไม่เกียจมัสยิดไม่เกียจมุสลิมอะไรของรองเทาง้าไงแบบนี้ไม่ได้เราต้องเข้าใจต้องรู้กันละเทศะในมัสยิดเนี่ยเขารู้ไหมถ้าเขาไม่รู้เนีย่ยเพิ่งใส่ก่อนอธิบายให้คนเข้าใจให้คนรู้เนี่ยจนกว่าจะเข้าแล้วก็เข้าเนี่ยก็ต้องรู้ว่าที่มัสยิดเนี่ย มัลสิของท่านดาบี้เนี่ยเขาไม่ได้ปูผมแต่ว่าสิได้เป็นดินเป็นทรายฉะนั้นเน่ยใส่รองเท้าเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดามากเลยนะถ้าใส่รองเท้านี่ธรรมดามากเลยแต่ถ้าปูพมนี่สั่งมาจากซาอุดีอย่างดีเลยนะแล้วก็ยดีก็ย่ำย่ำมาเข้ามานี่แน่นอนค น, คนก็ต้องต้องเกิดความใน ก, การละเทศะในการเข้าใจและการศาสนาเอามาปฏิบัติให้มันสอดคล้องมันเข้ากับ บริบทนะอันนี้เป็นเรื่องสาคัญเร่ละบอกว่ามยุติคอทิยายร์นค ث ي ที่ได้หกมาเนี่ยได้สิ่งที่ดีงามอย่างมากมายหกมาหกมเนี่มันเรื่องที่เหนือกว่าความรู้มีความรู้อย่างเดียวแล้วก็เอามาปฏิบัติเป็นท่อนๆแข็งๆอย่างเงี้ยมไม่ได้เราต้องมีหกมาด้วยนะครับฝากไว้กับทุกคนด้วยนะครับอัสลลลัลลอฮุอะลาบมมัดอละลอสุอัมามะล์